บอกหนูทางหายใจเข้าออกนับได้ร้อยครั้งหลวงพ่อจะให้เธอร้อยบาทอยากได้กันนี่เด็กนี่มันเด็กอนุบาลค่ะมาเป็นเป็นปลาค่ะต้องเอายื่อล่อหนะนี่ต้องมีโยบาย้านั่งอยู่บายคอนชซโลบายการสอนค่ ะ, คะถ้าบอกเด็กแกมานั่งเฉยๆมันจะเอาไหมไม่เอาหนูันให้เธอร้อยบาทนับลมหายใจตั้งเตามูกถึงสะดือเงินเงินสองสองชาชาสอง่า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 คือกรรมฐานหน้าที่การงานชภาพชีวิตรเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เรียกว่าอะไรทางสายเอกกรรมฐานมีทางเดียวคือทางสายเอกที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าสอนที่เมืองกุลุลัฐบ้านนั้นอุดมสมบูรณ์หมดเลยทั้งท่ากรรมกรมีเงินมีทองเหมือนกันหมดแต่มันมือมีฐานะไม่เหมือนกันไอ้ท่ากรรมกรมันไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีเงินเท่ากับพวกเรียนหนังสือ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 แต่วิธีการนโยบายอาจจะต่างกันไปบ้างไม่เหมือนกันตรงนั้นเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนน่นคือเ็การชหลวงพ่อต้องการอธิบายถึงเทคนิคการสอนของหลวงพ่อเทคนิคการสอนก็คือหมายความว่ามีคนชอบเด็กเข้ามาวัดเยอะเด็กมันต้องชอบค่าเวลาจะมาเทคนิคการสอนเด็กเนี่ยจะสอนเด็กเนี่ยต้องทอนอายุลรานี่เด็กอายุเก้าขวบสิบห้าขวบยี่สิบขวบ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 ร้านบางร้านก็ขายไม่ได้เลยเพราะอะไรขอให้ตีความเอาเองค่ะเพราะขารนอกจากโครงการกรรมฐานแล้วนะคะสอนกรรมฐานแล้วเนี่ยที่วัดอัมพวันยังมีโครงการอะไรอีกมั่งคะโครงการกรรมฐานจะตีความให้หมายความเป็นข้อสองโค ร, ง, ครงการขก็ตามม า, ท, าที่ทําอยู่แล้วปลุกคนให้ตื่นเทยคนให้เป็นงานค่ะปลุกคนให้ตื่นก่อนมาแล้วตื่นก็ทั่วไปแล้วก็เทให้เป็นงานงมีภาวะและตามาก็ทํามาทุกอย่างตั้งธนาคารน้ําบัง